ขอความสุขความเจริญจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ก็คงพูดเรื่องสันเลขสูตรสืบต่อไปสันเลขสูตรที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นก็จะเห็นว่าเป็นการเน้นย้ำถึงธรรมะปฏิบัติที่จะขจัดความรู้สึก ว่าเป็นตัวเป็นตนร่วมมีตัวตนที่เทียททเท่ยงแท้ยังยืนไม่แปรผันตลอดทั้งโลกที่เที่ยงแท้ยังยืนไม่แปรผันที่าย้คำว่าอัตวาทะกับโลกกวาธะพรุปมรักข้อต่อไปนั้นรับสั่งว่าดูก่อนจุนทะ ว่าไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมมีไว้สำหรับดับกิเลสของผู้เบียดเบียนที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนในข้อต่อไปก็มาเข้าเรื่องของกุศลกรรมบททั้ง10ประการต้องฟังจะสังเกตได้ว่ากุศลกรรมบท10ประการเราจะเจอบ่อยที่สุด ไรเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมที่สงบสุขสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรที่เราเรียกว่าพาราดอรภาพเซรฟรีภาพแล้วก็สมาภาพเนี่ยมันไม่จะเป็นจะต้องไปเรียกร้องอะไรจนยุ่ยยะไปหมดเลย เพียงแต่การตั้งจิตให้เป็นสมาธิเท่า น, นั้นเองคือคนเราต้องเห็นชอบแล้วก็ทำชอบมันก็พูดชอบมันก็คิดชอบทุกอย่างก็จะออกมาในเชิงสร้างสารรค์พัฒนาแต่ทีนี้สังคมเรานี่ค่อนข้างจะรบกรุงรังนะฮะคือสับสนอันที่จริงก็เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกอย่างนั้นย่าี่เทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าอันโตชาตาบหิชาตาชาตายะชติติชาติ ต, ติตาปะชาตังตังโกตะมาปุทธามิโกอิมังวิชาตยเยชะตาัาแต่พระโคมดมผู้เจริญโลกนี้รกชัดทั้งภายในและก็รกชัดตั้งในภายนอก ใครจะสามารถสางรถชัดเหล่านี้ออกไปได้ซึ่งเมื่อกล่าวโดยสุปแล้วก็คือการปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาใครก็ได้ถ้าดำเนินชีวิตไปตามหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วก็สามารถขจัดสิ่งที่ทำให้มืดบอดในด้านเหตุผลสติปัญญาลงไปได้ เพราะในจันว่าศีล ส, สมาธิปัญญามันก็สะท้อนออกมาในระดับหนึ่งก็คือกลายเป็นกุศลกบฏสิบประกาศแต่อาการของศีลแต่ระดับหนึ่งก็เป็นสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาแต่ถ้าเราสัมผัสได้ถึงเจ็ดข้อแรกก็ถือว่าศีลในสมบูรณ ไรเพราะว่าเรื่องของศีลเป็นเรื่องอาการกายกับวัจจะและที่ทรงแสดงไว้ในรูปของกุศลกำหนดสิทิ์เนี่ยมันมีความละเมียดระไมลึกซึ้งลงไปโดยลำดับเราสั่งในที่นี้ว่าการกุเ้นจากปานาธิบาทมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้ขัดสัตว์ทีนี้กิเลสระดับขัดสัตว์เนี่ยมันแรง หรือถ้าไม่แรงเนี่ยจะค่าไม่ได้เทนี้ถ้าดับกิเลสประเภทค่าได้มันก็ทำหน้าที่ขัดเกลาไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นเมตตาเอนดูในสัตว์ทั้งหลายเป็นกระบวนการของธรรมะนะที่เขาจะเพิ่มพูนขึ้นเมื่อเข้าถึงจิตเพราะในสามข้อหลังเนี่ยมันจะเข้าถึงจิต และที่จริงก็เชื่อมโยงอยู่กับจิตนั่นแหละเปียนแต่ว่าเน้นย้ำระดับอาการที่ปรากฏทางกายคืองกเรื่อจากการค่าสัตว์กิดเวื่อจาการปรทุสไลชีวิตเกเรืาการทรมานการทรกรรมการเบียดเบียนการพระจนสัตว์การนังแก่สัตว์การสัตว์มาต่อสู้กันก็ แล้วเมรละไม่มไปเรื่อยๆนะตรงนี้จริงๆมันจะครอบครูมอะไรไปเยอะแล้วเพราะว่าจิตจริงๆนะ่มันจะเพิ่มปริมาณของเมตตากรุณาขึ้นไปเรื่อยๆและในเชิงพฤติกรรมมันจะเชื่อมกับไปที่ข้ออื่นแล้ว เราเห็นว่าแม้แต่ข้อต่อไปที่บอกการงดเว้นจากอธินาทานมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้ลักทรัพย์อย่าลืมว่าตรงนี้สงช้คำว่า ด, ดับแล้วนะฮะตรงนี้สรงช้คำว่า ด, ดับแต่ตอนก่อนเนี่ยไม่ถึงกับใช้คำว่า ด, ดับพอดับใ้มันมันก็ไม่ต้องไม่เหลือเจนว่า ด, ดับโทสะเนี่ยอย่างน้อยก็ในขณะนั้นต้องไม่มีโทสะ ทีนี้การการทีจิตไม่มีโทสะมันก็ต้องมีอย่างอื่นกน็ก็ต้องมีตรงกันข้ามก็คือต้องมีเมตตาไม่ใช่จิตไปว่างเลยนะมันก็ต้องมีธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามก็คือเมตตาจิตไม่มีวิหิงสาก็คือมีอหิงสาคือไม่เบียดเบียนเพราะ น, นทินท า, านเนี่ยมันเป็นการดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้รักทรัพย์ การลักทรอย่างที่บอกว่ามันรักด้วยความโลภเป็นหลักนะทีนี้ถ้ากิเลสประเภทโลภดับได้เนี่ยโอ้ไปเยอะเลยจิตใจมันไปเยอะเลยมันก็เชื่อมต่อไปจนถึงการกดเว้นจากการประพฤติพรหมจันทร์การประพฤติพรหมจรนท์เลยะการประพฤติพรหมจันทร์ตัวนี้อาจจะเป็นเพราะว่า รับสั่งแสดงกับพระจุนทะนั้นอย่างหนึ่งเดิเป็นการทําลายตัวอัตตาคืออัตาวาทะอย่างหนึ่งหรือตามปกติตรงนี้จะใช้คําว่าการไม่เสพกรารมไม่ใช่การงดเว้นจากการกระทำผิดในทางประเวณีหรือจะพูดระดับการเมสุเมชฌานาแต่ตรงนี้ทรงใช้คําว่าเป็น การประพุติปรมจันท์ก็คือหมายความเป็นอพรรมถ้าเป็นศีลก็เป็นศีลแปดศีลอุบสถศีลของสามเณรศีลของพระศีลของภิกษณุณีก็ขึ้นไปเรื่อยนะก็เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้เสพเมตุนธรรมทีนี้เมื่อกิเลสมันดับเนี่ยการเสพเมตุนธฐานมันไม่เกิด เพราะว่าจริงๆการเสพไม่ถุนเนี่ยไม่ว่าอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นมาจากความดำริคจิตไปกำหนดด้วยอำนาจของความใคร่ความปรารถนาความพอใจอจนถึงจุดหนึ่งเน่ยมคิดจะเสพแล้วก็เสพทีนี้เมื่อมันดับกิเลสมันก็ยุติพฤติกรรมตอนปลายทั้งหมดถ้าดับได้มันก็หมดแล้วนะว่าจริง แล้วก็ทรงแสดงไปเรื่อยๆที่จะลืมมาภาคสนามถ้าดับขนาดนั้นได้หมดนะเด็ตรงนี้ทรงแสดงไปไปตามลำดับคล้ายๆกับอะไรล่ะคือรถไฟขบวนหนึ่งเนี่ยเกิดในแง่ของความเป็นจริงเม่อถ้าถอดถอดวัลจักออกแล้วเนี่ยโบกี้กีบกีโบกี้ก็ช่างมานะันมันหยุดหมดเลยมันไปไม่ได้ครับ แต่ว่าเราต้องการจะแสดงให้เห็นว่ามันดับไปตัวโดยลําดับในข้อต่อไปรับสั่งว่าการงดเว้นจากมุสาวาตมือไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้พูดเท็จในการพูดเท็จตามปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดมาจากโลภะนี่เป็นหลัก รองลงมาก็คือเกิดมาจากราคะและบางครั้งเนี่ยอาจจะบกพร่องในด้านเหตุผลสติปัญญาก็มาจากโลหะแต่บางครั้งต้องการจะหลอกลวงก็ จ, จะมาจากโทสะก็ได้ก็แล้วแต่ก็สรุปว่ามาจากกิเลสทีนี้เมื่อดับกิเลสระดับพุทเทศได้ก็ชื่อว่า ดำรงอยู่ในสัจจะพอถึงสัจจะกุศลธรรมอีกันเนกันนันก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาได้ประการต่อไปเราสั่งว่าการรู้เว้นจากปิสุณะวาจาคือการพูดสอเสียดนะครับก็มีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้พูดสอเสียดการสอเสียดก็คือส่วนใหญ่นะ สนใหก็จะเกิดมาจากโลภะหรือโทสะหรือโมหะอีกแหละมันมีลักษณะของการเบียดเบียนมุ่งใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือหรือมุ่งทำลายคนอื่นยั้การในปัจจุบันเราจะสังเกตได้นะครับว่าลักษณะของการนำความครังนี้ไปบอกครัง้งนู้นนำความครั้งนด้นไปบอกครั้งนี้ เพื่อให้คนสองขวายทะเลาะกันและกัดแยงกันเกิดสรวนของไทยบอกว่าปั่นหัวจริตให้มันกัดกันเป็นเจตนาร้ายทีนี้ถ้าสามารถกิเลสดับกิเลสประเภทนี้ได้เนี่ยก็ปล่อยลิบเหมือนกันนะ แล้วก็มาพูดในลักษณะเป็นการส่งเสริมสมัคคีประสานสมัคคีหรือช่าสามัคคีคือเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งหมดระดับกิเลสได้เนี่ยข้อความทุกอย่างเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อไปก็ส่งใช้คําว่าการลดเบ้นจากพุทธสวาสดมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้พูดคําหยาพบพุทสวัสก็คือคำหยาบ ในนการพูดคาหยาบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโทสะส่วนใหญ่จะเกิดจะขึ้นจะโทสะแล้วบางครั้งก็อาจจะคือก็คือโทสะเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือโทสะอาจจะเป็นการผูกโกรธอาจจะเป็นการนาคาดพยาบาทหรือว่ามุ่งจองลังจองรัดกันก็เรื่อดับกิเลสเหล่านี้ การดับกิเลสนั้นก็มีอยู่สองระดับคือเป็นกุระธรรมคือกำเริบได้กับองกุบะธรรมคือกำเริบไม่ได้แต่ก็ขอให้ดับกันแล้วกันนะการดับที่มีความต่อเนื่องได้มันก็เป็นปกตินิสัยอย่างเวลานี้ที่เราพูดเรื่องคำว่าคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมแล้วก็พูดในลักษณะแยกส่วน คล้ายๆกับคนละเรื่องไนจนตื่ น, นกับอิสลามก็บอกว่าคุณธรรมนั้นเป็นของอิสลามาจริญธรรมเป็นของคริสแล้วก็ศีลธรรมเป็นของพุทธคือแสดงคนพุ้ธก็สับสนเนี่ยนคคุณธรรมเนี่ยคือฐานของจิตพวกกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยโดยสถานะของเขานั้นเป็นคุณโดยสถานะ เจนเมตตาเนี่ยเป็นคุณสัจจะนี่เป็นคุณขันตินี่เป็นคุณคือเป็นคุณโดยสถานะเมื่อเป็นธรรมะแล้วมันจะมีความเป็นสากลจึงไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอะไรคือเขามีมาก่อนศาสนาคือจะคือเราจะไปคิดว่าเป็นเรื่องศาสนานั้นศาสนานี้ธรรมะเนี่ยเขามีมาคู้กับโลกธรรมะมาเกิดก่อนเกิดก่อนศาสดานะฮะธรรมะนี่ก็มีก่อนศาสดา วเวลาเนี้ยเรามองในลักษณะคับแคบคือเราเลืมว่าถ้าธรรมะแล้วต้องสากลแต่ถ้าบัญญัตินั้นมันก็เรื่องศาสนานั้นนั้นแต่ธรรมะต้องสากลเพราะมันเป็นสัจจะบัญญัติเนี่ยเป็นสมมตินะฮะเป็นสมมติเอาเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อจะดำเนินเข้าสู่สัจจะ ปัญญัดก็คล้ายๆกับนั่งร้านสมรับสร้างตึพอสร้างเสร็จมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคือคนจะมีโดยโดยไม่ยึดติดที่เคยบอกว่าศีลรักษากับเรารักษาศีลเนี่ยพอศีลรักษาเรามันก็เป็นธรร ม, มาไปแล้วพอเมื่อแสดงออกมาเนี่ยคุณธรรมที่แสดงออกมา ก็เป็นจริยธรรมทีนี้กลายเป็นปกติเป็นปกติวิสัยเป็นนิสัยที่ถาวรยั่งยืนก็กลายเป็นคนดีมีศิทธรรมศาสนาไหนก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรภาษานี่สมมติบัญญัติเอาทั้งนั้ น, นคือเวลามาออกอากาศคืนวันจันทร์ต่อปัญหาคืนวันจันทร์ ตอนกลับนี่จะเปิดฟังธรรมะทั้งไปทั้งกลับไปนะเดี๋ยวฟังรายการธรรมะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนญาติโยมไปทําบุญกับพระปฏิบัติธรรมคือสงสารพระที่พูดนะอะไรคือการปฏิบัติธรรมพระนั่นปฏิบัติธรรมทุกคนและโยมเองก็ปฏิบัติธรรมทุกคน เปียนแต่ว่าในขณะนั้นแหละปฏิบัติกุศลอกุศลหรือด ก, ก, ก, กลางๆเพราะวิถีชีวิตของคนมันเป็นกระบวนการของธรรมะที่เขาเรียกว่าสุทธธรรมะพราะว่ันดิธรำล้วนๆมันหมุนไปแต่ว่ากุศลธรรวหมุนไปเรื่องกุศลแลรวหมุนไปแล้ก็มีอีกเรือดหนึ่งแต่ก็ไม่ตลอดหรอกเว้นไว้แต่พระเรียบบุคคลที่ว่าเป็นกุศลล้วนๆ คนเราจะชั่วจะเลวยังไงมันก็ไม่ถึงาากับอกุศลล้วนๆหรอกอย่างน้อยก็ขึ้นขึ้นลงๆ อ, อ, อกุศลน่าจะมากน่อยอกุศลน่าจะน้อยหนยนั่นคือธรรมะมันจะมีความเป็นสากลตรงนี้เราจะเห็นว่าสากลนะขังหยาบเนี่ยไม่รู้แหละมันต้องเกิดจากกิเลสใครพูดในศาสนาไหนพูดไม่เกี่ยว แต่ว่าคุณก็มีกิเลสศาสนาพุทธเรียกว่ากิเลสศาสนาอื่นเรียกว่ายัางไงก็เรียกไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอย่าลืมว่าตรงนี้เป็นสมมุตินะกิเลสที่เขาเรีกิเลสนี่จริงก็เป็นการสมมุติเรียกตัวเขานี่จริงเขามีชื่ออะไรอะ่ะเราเรียกในภาษาบาลีเราก็เรียกว่ากิเลส ก, ก็ยังนึกว่า วันจันที่ตอนมาออกอากาศเนี่ยเราฟังรายการอภิธรรมบอกว่าบอกกระเด็กขับรถบอกเออเขาพูดใช้สับมากไปหน่อยนะเยอะเหลือเกินมันก็พวกฟังฟังได้กลุ่มเดียวคนอื่นเนี่ยฟังไม่เข้าใจหรอกภาท์มันใช้ทับศับทับศัท์ทั บ, บทั บ, ท บ, ท บ, ทบไปเรื่อยๆเลยก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยรู้สึกไกลตัวเอง แต่อย่าลืมว่าธรรมะมันเป็นวิถีชีวิตอันพูดหยาบมันก็มีทุกวันมากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าดับได้ดับกิเลสเป็นเหตุพูดหยาบได้เนี่ยก็จริงจริงแล้วถ้าดับถาววอนเนี่ยนะครับเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วการกดเว้นจากสัมผัสประหลาปะอย่างที่บอกว่าคำเพรเจอร์เนี่ยมันไม่ใช่ภาษา บาลีจึงลองสังเกตว่ามุสาวาทะเปรยววาจาปิทุนาวาจาแล้วก็พุรุสวะคือวาจาคือคำพูดแต่พอเพระเจร์เนี่ยพระเจ้าไปเรียกคําพูดเรียกสัมป ป, ปลาปาเปลว่าเพื่อ เ, อเจรมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้พูดเพื่เจร์เพื่เจร์ก็คือคําเหลวไหลร้ยร า, ยรายสาระต่างๆ ไปยังมองถึงรายการโทรทัศน์หรือไม้แต่วิทยุเราเสียได้ว่าลงทุนสูงมากแต่สาระน้อยมากคนเราแก่ไปทีละคราวลายชั่วโมงสองชั่วโมงไปดูเรื่องรายสาระแล้ว <c oughs> บางทีก็หลายชั่วโมงนะดูเรื่องรายสาระกันดูไปแล้วถามว่าได้อะไรอ่ะมันก็ได้ดูนะ ก็ด้ดูแต่นั้นเองแต่ว่าเราก็แก่ไปแก่ไปตามเวลาที่เราดูโดยไม่ได้สาระอะไรแล้วข้อต่อไปก็รับสั่งแสดงว่าความเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอันนี้เรีกว่าอนาพิจานณะเพ่งเล็งเรียกว่าอนาพิจาาอันนี้เรืออนาพิจาาคือการไม่เพ่งเล็งก็คือโลบนั่นแหละแต่ว่า ตาจดจอ่อใจจดจอ่ออยู่ในเรื่องที่เราโลภอยากได้จันจะเรื่องอาการของจิตที่มันถูกควบคุมกำกับ้วยโลภะจนถึงกะแสดงออกมาทางตาอาจจะเงี้ยหูฟังนะครับคือหมายความว่าใชประสาทสัมผัสในตาหูจมูกลิ้นกายเนะี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยก็จะใช้ตาใช้หูนะกับใจ แล้วก็เพื่อจะดับกิเลสของบุคคลผู้มักเพ่งเล็งของบุคคลผู้มักเพ่งเล็งหมายความกิเลสก็อยู่ที่จิตคนให้ลองสังเกตว่าประโยคแรกเนี่ยเป็นกล่าวถึงธรรมะเป็นสภาวธรรมแต่ว่าประโยคที่สองเนี่ยกล่าวถึงบุคคลที่ถูกกากับควบคุมด้วยสภาวธรรม ตีเป็นตอนนี้ก็เป็นอกุศลเนี่นนะคนนี่ถูกถูกกากับควบคุมในอกุศลพระพุทธเจ้าก็แสดงสภาวะที่เป็นกุศลธรรมเพื่อสลายเพื่อดับเพื่อดับอกุศลที่อยู่ภายในจิตของคนใช้คําว่าคนแหลยพระพุทมักเพ่งเลงเนี่ยเป็นตัวคนเพงเลงบ่อยๆนยมักเพ่งเลงก็แสดงว่าโลก ลบต่อเนื่องลบนั้นลบนี้ลบโน้นก็อยากได้ไปไดๆความไม่พยาบามตรความไม่พยาบาทเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยชื่อว่าไม่พยาบามตรเป็นคำบัญญัติเรียกตัวความไม่พยาบามตรนั้นเป็นสัจธรรมที่ก็มีอยู่ภายในจิตของมนุษย์โลกนั่นแหละแล้วก็เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีพยาบามต พยาบาทเป็นกิเลสประเภทโทสะเป็นกิเลสประเภทประทุษร้ายทั้งหมดเนี่ยบังคับจิตให้สายทั้งหมดราคะโลภโทสะโมหะเนี่ยบังคับจิตให้สายทั้งหมดแล้วก็สายไปในการทั้งหลายนันะอดีตอนาคตปัจจุบันมาจนถึงข้อสุดท้ายความเหตนตุ ตรงนี้ที่จริงเรีเรียกวความเห็นชอบส่วนใหญ่นะเราจะแปลว่าความเห็นชอบคุอสมาธิถิ่ยคือไม่รู้กันแล้วคือทอยังไงว่าวรารัศดสื่อสารเนี่ยคนมีข้อมูลอยู่แล้วคำพูดถูกมันก็คือกันนั่นแหละแล้วว่าเมื่อรุ่นครูบาอาจารย์ท่านแปลมาว่าความเห็นชอบก็ต้องรักษาคำของท่านไว้เพสื่อสารกันง ตัวนี้เป็นตัวปัญญาเนะเป็นตัวปัญญาถ้าเขามีแล้วเนี่ยมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้มีความเห็นผิดเราจะเห็นว่าทั้งหมดเดเจ็ดข้อก้าเก้าข้อแรกเนะี่ยมันคนมีความเห็นผิดกันะ่นั้นแหละฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีรพุดผิดในกามก็ดีพูดเทศก็ดีพูด โซเซียก็ดีพูดคำหยาบก็ดีพูดเพรสเจอร์ก็ดีโลภอยากได้ของคนอื่นก็ดีพยาบาทปองรายผู้คนอื่นก็ดีมันมาจากเห็นผิดจากทานองครองธรรมพอเมื่อจิตมาเห็นชอบแล้วมันก็ดับไประเนระนาดไปนะเพราะพวกนี้ก็คือคือความมืดบอดในด้านเหตุผลสติปัญญาแล้วก็จากนั้นก็จะแสดงอริยมรรคไปครบนะฮะอริยมรรคจะแสดงไป ครบทุกทุกข้อจนมาถึงสมาสมาธิใช้คำเหมือนกันความดําริชอบไม่ไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้มีความดําริผิดดําริผิดก็คือมโนทุจริตนั่นแหละเป็นกามาสังกับปะดําริด้วยอำนาจความใครในสิ่งที่จิตกำหนดว่าหน้าใคร แล้วก็พยาปาแลสังกปะดำริด้วยความมาฆาตพยาบาทในสิ่งที่จิตกําหนดว่าไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแต่และอย่างนี่เป็นความดำริผิดทีนี้พอเรามำิชอบเนี่ดำริออกจากกามดำริในการออกจากพยาบาทดำริในการไม่เบียดเบียนอาการการวาจามันก็เป็นสุจริตไปหมด ก็อย่าลืมมันสัมมาทิฏฐิกับสัมมาทากักตปะเนี่ยมันเป็นปัญญาพอปัญญามันเกิดเนี่ยโมหะมันก็ต้องดับแล้วกิเลสทั้งหลายนี่มาจากโมหะหรือ ม, มาจากอวิชชาเราทรงสแสดงมาถึงความการเจราจาชอบก็คือวจีสุดจริตสี่อย่างที่ว่าแล้วการงานชอบก็คือกายสุดจริตสาม กล่าวแล้วนะเราจะเห็นว่าออมันก็อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเนี่ยทาไปทรมาก็อยู่ที่ตัวคนนั้น เ, นเป็นการอธิบายปริยายของธรรมะก็สรุปว่าเอามาประกบคู่กันตอนนี้ก็เน้นไปที่ฝ่ายกุศลซึ่งดับอกุศล ก็มีไว้เพื่อดับทั้งนั้นแหละการเลี้ยงชีวิตชอบมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้เลี้ยงชีวิตผิดความพยายามชอบมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้มีความพยายามผิดการเล็กชอบมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้มีสติผิดสติผิดก็คือบิดาสติคือเลิกแล้วมันกิเลสมันเกิด อะไรก็ตามถ้าเราคิดแล้วกิเลสเกิดมันก็ผิดทั้งนั้นกรอบมันคือบางทีเนี่ยจากการสังเกตที่ไปบรญญายนลมเยาวชนมาเนี่ยคือเวลาเด็กแกถามนี่แ ก, กถามตัวบาปตัวบุญเลยโอ้ยแต่าบาปบุญมันก็กรอบมันใหญ่มากอะ่ะคือแม้แต่คิดก็เป็นบาปเป็นบุญแล้วพอถามว่าคำว่าบาปบุญก็กลายเป็นเรื่องที่ เราไม่อาจที่จะไปเสร็จได้ไม่บาปใช่ไหถามมาดาม่าแม่บาปไหมมันก็ต้องบาปแต่ถามมาบาปแรงไหมมันก็ถามมาดาแรงหรือเปล่าคําที่ด่านเป็นคำหยาบหรือเปล่าเจตนาแรงไหมแต่วัตถุนใิยายน่ะเจตนาแรงไหมความพยายามมากไหมก็เป็นรายละเอียดบาปมากน้อยนะมันก็ต้องบาป แต่ว่าถามม า, มากไหมเนี่ยมันก็ต้องดูที่รายละเอยียดเราตอบไปเลยไม่ได้แต่เป็นที่น่าสังเกตนะว่าบางทีมีคําถามบางทีพ่อตีแม่ยังนึกไม่ออกอะ่ะว่าเด็กมักลาหาหันจานชัยขนาดตีพ่อตีแม่จะรึเออตีตอนเด็กๆน่ะเราก็ไม่รู้นะฮะตีตอนเด็กๆก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่า ตนตนี่ยมันกล้าตีพ่อตี่แม่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ที่น่าคิดแต่ว่าถ้ า, าถามมาในอนดีตเคยมีไหมมันก็เคยมีนะวันก่อนมีคนโทรศัพท์ถามเรื่องพระโมคคลลานะที่ถูกฆ่าเพราะอิบากกรรมที่เคยทุบตีพ่อแม่ไม่ใช่ฆ่านะไม่ใช่ฆ่าพ่อแม่ คือจริงในในเรื่องเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งนีค่าเรื่องหนึ่งไม่ได้ค่าหรอกเรื่องพระโมคคัลลานาะนั่นไม่ได้ค่าเพียงแต่ว่าทุกทีโดยการเชื่อพัญญาแต่พอพ่อแม่แสดงความห่วงใยต่อลูกขึ้นมาเนี่ยก็คิดได้แล้วก็นําพ่อแม่กลับมาบ้านเลี้ยงดูเป็นอย่างดี แล้วก็บอกยิ่นคำขาดแกพันยาว่าต่อไปเนี่ยถ้ายุให้แกแตกแยกกับพ่อแม่อีกแล้วก็เลิกกันเกิดจะเลิกเลิอกออกับพ่อแม่แต่จะไม่เลิกเมียหรอกแต่ถ้าเมียต้องการจะอยู่ด้วยก็อยู่ด้วยความเป็นลูกของพ่อแม่ด้วยแต่บาปกรรมขนาดทุกตีเนี่ยมันก็ต้องเยอะคือไม่ใช่ชาติก่อนนะชาติก่อนไกลโพ้นรือลิบริ บ, ร บ, รบโลกเลยก็เป็นกลับเป็นการมาแล้ว เขาต้องการแสดงว่าวิบากกรรมที่คนทําเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งถ้าเขายังให้ผลปเป็นเ็ษเนี่ยเขาก็ตามไปเรื่อยๆแหละตัวตนี้เขาเรียกว่าวิบากกรรมที่เหลือลงคือคล้ายๆกับรูบสุดท้ายของเปรียวเทียน่ะมันก็ให้ผลเข้ามาเนี่ยคือมีแสงสว่างก่อนจะดับเนี่ยแก่เาให้แสงสว่างก็วูบขึ้นมาทีหนึ่งแล้วกระดับไป แต่ว่ามันให้แก่วิบากขันของพระอาราหันต์เพราะว่าต่อจากนั้นมันก็จบแล้วคือพระหันท่านไม่มีกิเลสไม่มีกรรมแล้วจากบรรลุวันบรรลุมรรคผลเป็นพระหรหันเนี่ยไม่มีกิเลสไม่มีกรรมแล้วแต่อดีตกรรมที่เราไปตามละมันไม่ได้อะมันตามมาทันก็คือทันตามไม่ทันก็เป็นโหสิกรรมไปก็จบกัน เพราะไม่มีขันเป็นที่รองรับกรรมอีกแล้วเนื่องจากจทันดับกิเลสทีนี้ในข้อต่อไปก็ไปไปถึงน้นเลยนะฮะมาถึงเราเจะเห็นว่าความรู้ชอบซึ่งเป็นสมายานเนี่ยมมไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความรู้ผิดเรียกว่ามิจฉาญาณ น, นะตัวนี้เป็นตัวใหญ่คือเป็นตัวมักจริงๆ ตัวสัมมายาณะนี่เป็นตัวมรรคจริงๆส่วนสมาธิติซึงสมาสมาธินเนี่ยเคาเรียกว่าองค์มรรคองค์ประกอบของความเป็นมรรคคล้ายๆกับเครื่องปรุงอาหารนะเครื่องปรุงยาเครื่องปรุงอาหารอุปรกรณ์ในการสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยแต่พอสร้างเสร็จแล้วเราเรียกคำเดียวว่าเรือนนะเนี่ยองค์ประกอบต่างๆมันมีเยอะ แต่โมยย่อยของความเป็นเรียนเราต้องทั้งหมดอะจึงเป็นเรียนผัดแกงชนิดใดชนิดหนึ่งยาขนาดใดขนาดหนึ่งมีเครื่องปรุงอยู่แปดอย่างแต่อย่างก็มีคุณภาพของมันแต่ถ้าปรุงรวมกันแล้วเนี่ยจะมีคุณภาพสูงสุดตามสถานะของเขาตรงนี้ก็คือหมดกิเลสหมดกิเลสก็เป็นสมมาวิมุตติคือจิตหลุด พ, พ้นในทางที่ชอบก็มีไว้เพื่อดับ เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีมิจฉาวิมุตต์คือพ้นผิดไอ้พ้นผิดนี่คือเข้าใจว่าพ้นน่ะแต่ไม่ได้พ้นเข้าใจว่าพ้นแล้วกายกับท่านอาลาดาบตกะลามโคดในที่จริงท่านถือว่าท่านบนรรลุแล้วนะแต่ก็ไม่บรรลุหรอกพวกนี้อยู่ในระดับที่อาจจะลงผิดได้ ผลในพระบาลีเนี่ยท่านเรียกว่าอาชิ ม, มานะจะสำคัญผิดแล้วก็ปัิยาณตนเป็นพระหิกบุคลอะไรก็ไม่ว่าอะไรกันนะคือว่าไม่ได้ปรบับบตปเพราะว่าท่านท่านท่า น, ท, านท่านเข้าใจผิดแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองไม่มีคุณพิเศษจริงแล้วก็เจตนาอ้อวดนนั้นเป็นประราชิกเลยถ้าเป็นพระ จานั้นก็มาเข้าพวกพวกกิเลสทั้งหลายนะคือความไม่มีกิเลสทั้งหลายก็เริ่มมาจากความเป็นผู้ปราศจากทีนมิทะมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ถูกทีนัมิทะครอบงำติมาทีนัมิทะก็คือกิเลสประเภทง่วงเหงาหานอนซึ่งซึม ง, ง่อยเหงาหดหูทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวความเป็นผู้มีจิตในฟุง้งซ่านคือไม่มีอุจจตักกุจจะ แต่ตรง น, นี้พูดเฉพาะอุทธจักนะไม่แม้พูดถึงกุกุจจะเป็นกิเลสประเภทเป็นธรรมะที่ละเอียดเป็นธรรมะที่ละเอียดมากมีความเป็นผู้ไม่มีจิตฟุ้งซ่านนี่จริงจรงคนที่ไม่มีจิตฟุ้งซ่านเลยเนี่ยมีเฉพาะพระอาหารหันต์คือพุทธะสามท่านั้นเองเรื่องความฟุ้งซ่านเนี่ ย, นรรนยคนที่ดับได้ก็คือพระอาหารหันต์ พระหันพระปฏิเยกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคนอื่นดับไม่ได้หรอกมันละเอียดแล้วก็ความเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยก็คือดับวิจิกิจชาได้มีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้มีความสงสัยความสงสัยที่ใหญ่นะะความสงสัยที่ใหญ่มากๆก็คือเขาเรียกว่าความสงสัยแปดเรื่อง คามสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิขาในอนดีตในอนาคตทั้งอดีตอนาคตในกฎของปัจิยาการหมดเลยนะคือคือคือถ้าพูดอย่างนี้ก็หมดแหละที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกสีข้อหลังเนี่ยเขคือในไตรสิขา น, นแหละเราแส้เงเมื่อเราสงสัยในไตรศิขาเราก็สงสัยพวกนั้นหมด แต่ถ้าคนชัดเจนในใจติขาถือเขาถึงใจติขามันก็ดับพวกไอ้สี่ข้อหลังได้ทั้งหมดแล้วก็ดับความสงสัยในพระพุะทธเจ้าประธรรมประสงค์ได้ทั้งหมดถ้าปฏิบัติตามหลักของใจติขาเวลากระจายก็กระจายแบบขบวนรถไฟอย่างที่ว่าเนี่ยเกิระจายออกไปก็เป็นแปดแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ย ถ้าคนปฏิบัติไปตามมารีมักเพื่อปประการคือมายความวาใช้ใช้ใช้ภาวนานำใช้ปัญญานำหรือใช้ศรัทธานำถ้าใช้ศรัทธานำก็ใช้ความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําให้เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระทรงในไตรลิขามันก็ไปได้ทั้งแถบทืองกันก็ต่อไปถามว่าความไม่โกรธมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลบูมักโกรธ พวกกุศลธรรมคือก็มีอยู่อ่ะมีอยู่มีไว้สต่ใช่ก็มีว่าคือมีอยู่มีอยู่เพื่อจะดับเพื่อจะดับพวกนี้คล้ายๆกับเย็นไม่มีไว้เพื่อดับร้อนมันก็มีอย่างนั้นมันก็มีโดยธรรมชาติถ้าเรามีเราก็ดับร้อนได้เรามีความเย็นอยู่เราก็ดับความร้อนได้กุศลธรรมเหล่านี้ การจะดับเนี่มันเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นการพูดถึงระดับดับนะฮะการไม่ผูกโกรธมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มักผูกโกรธการเม่รบหูกคุณท่านมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลบุรุษหลบคุณท่านคว่าไม่ตีเสมอมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มักตีเสมอความไม่ดิสยามมีไว้เพื่อดับกิเลสของผู้ มีความริษยาความไม่โอ้อวดมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้โอ้อวดความไม่มีมารยามีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้มีมารยาตรงนี้ก็เข้ารูมของอุปกิเลสนะคือแต่อุปกิเลตเนี่ยพูดถึงตัวสภาวธรรมตอนนี้พูดถึงตอนที่มันทำหน้าที่ของมันคือกํากับควบคุมจิตของมนุษย์ ก็มีกุศลธรรมสาหรับแก้ฝังกิเลสมีเท่าไร่เนี่ยกุศลธรรมมีแก้ได้ทั้งหมดกิเลสเหล่านี้บางทีเนี่ยเขาเป็นจริงนะฮะเป็นอะไรล่ะถ้าเป็นองค์กรบริหารเขาเรียกส่วนแยกแต่กายการกองทัพเนี่ยมันมีส่วนแยกอยู่ตรงนั้นสูง น, นี้ตรงโน้นตรงนั้นธรรมะปฏิบัติมันก็มีลักษณะอย่างนั้น คือทั้งหมดเดมันมีรากงาอมาจากวิชากุศลธรรมนมีรากง่ามาจากวิชาก็แตกมาเป็นความไม่โลภไม่โกรธไม่ลมก็แตกไปเรื่อยๆเพราะความไม่เป็นเป็นความเป็นคนไม่ดื้อดึงมีไว้สำหรับรกิเลสของบุคคลผู้ดื้อดึงที่จริงมันมันความไม่ดื้อดึง ตัวความไม่ดื้อดึงไม่ใช่ความเป็นคนไม่ดื้อดึงคือความไม่ดื้อดึงเป็นสภาวธ ร, รรมเป็นนามธรรมนะ ค, ความไม่ดูหมินมีไว้สำหรบับกิเลส ข, ของบุคคลผู้ดูหมินความเม็นผู้ว่าง่ายมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้ว่ายากความเป็นกาลยานมิตรมีไว้เพื่อดับ ความบุคคลผู้มีปาปมิตรแล้วก็ความไม่ประมาทอีไว้เพื่อดับความประมาทบุคคลผู้มีความประมาทตอนนี้องค์องค์องค์ธรรมจะสั้นมากก็จากนั้นก็มาเป็นกุศลกุศลธรรมที่เราคุ้นๆ ท, นะ ท, ทั้งหมด่ะฮะกุศลธรรมทั้งหมดเนี่ยจริงกุศลธรรมเนี่ย คือถ้าเราอย่างชาวบ้านทั่วไปเราสามารถที่จะอ่านทําความเข้าใจกับหนังสือเอาจ ะ, จะไม่ต้องมากนะหนังสือโนกวาดโนโกวาดเป็นหนังสือขนาดเล็กที่สมเด็จพระมาสนณเจ้าทรงรวบรวมเรียบเรียงไว้แล้วก็มีทั้งส่วนพระวินัยส่วนธรรมะแล้วก็ส่วนของกีหิวินัย เรืเล็กๆสมัยสมเ็จวรสางกราชพระราชบพิษเนี่ยรับสั่งให้พิมพ์เผยแพร่เป็น p o c ก e t b ตบ k ๊ book. เป็นไม่ใช่เป็นเป็นะจะบับบัตกระเป๋าโดยเอาส่วนของธรรมะเนี่ยว้ข้างหน้าเอาส่วนีิไหนไว้หลังสุดเพื่อจะเผยแพร่กับชาบ้านเพื่อหมายความถ้าเราเข้าใจธรรมะใน หนังสือโรากวาดได้เราจะเจอตลอดฟังธรรมะเมื่อไหรจะเจอธรรมะตรงนั้นแหละตลอดเพรอะไรเพราะเป็นการผลงานรวบรวมที่ที่ถือว่ายอดเยี่ยมมา ก, กนะคือไม่มากแต่ว่าครอบคลุมเอามาทาขึ้นมาสองเล่มเล่มหนึ่งเรียกว่าธรรมะปริทัต์หนึ่ง อธิบายไปตามลำดับองค์ธรรมที่สร ง, งเรียงไว้เส็จแล้วก็มาทำอีกเล่มหนึ่งชื่อว่านิเทศธรรมเมื่อก่อนนี่แปลว่าส่องสว่างกังไก่ใช้ชื่อว่าส่องสว่างกังใก่ก็พิมพ์มาครั้งที่สี่ตอนนี้ก็มีคนที่บริจาคสนับสนุนทุนพิมพ์แล้วก็พิมพ์ได้ตั้งห้าพันเล่มแต่วันไ ก, 400ก่สี่ร้อยกน้า ก็ยังบอกพลเอกเสรีพุกมานว่าถ้าต้องการจะแจกแต่ว่าค่าค่าส่งมันสพงแพง น, นะฮะถ้าส่งแพง่อเล่มมันจะแพงบยินดีจะจะสนับสนุนให้แต่ว่าศรีปฐุมต้องต้องแจกเองแต่ใ น, นขณะเดียวกันถ้าหากว่าญาติโยมที่ฟังแล้วก็อยู่ใกล้ๆวัดบวรก็จะไปขอก็ได้นะ เกิดนึกว่าแต่ว่าต้องตั้งใจอ่านนะเพราะเล่มมันใหญ่ต้องตั้งใจอ่านแล้วก็จะจะได้ควรู้จักพระศาสนาเนี่ยคือหลักสูตรของพระเนี่ยหลักสูตรธรรมดีตัวเอกนะถ้าคนเข้าใจหลักสูตรธรมดีตัวเอกไม่ต้องพูดมา ก, ก น, นะตีตัวเอกแล้วก็ที่จริงชั้นชั้นเอกเนี่ยมันมันเป็นระดับสูงลนะ่ะ ส่วนใหญ่มันจะอยู่คือที่พระเทศเผยแผ่กันอยู่ในประเทศไทยทุกวันเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ในหนังสือนกกว่าเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพูดสูงเกินไปเนี่ยมันต้องพูดในห้องบรรยายอบรมแล้วห้องสอนกรรมฐานแล้วในโบสถ์แล้วแต่พูดออกออกสู อ, อย่างเงี้ยเราก็ไปพูดธรรมะที่เกินวิสัย มันยากเกินไปมันก็ไม่ดีแต่การบรรยายประสูทธเนี่ยมันก็แน่นอนนะประสูทธว่าอย่างไงเราก็ต้องว่าไปอย่างนั้นเพียงแต่ว่าก็ต้องอธิบายขยายรายละเอียดพอสมควรเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันมีความหลากหลายแต่กลุ่มเป้าหมายอยู่ในห้องกรรมฐานมันก็จะพูดได้อีกระดับธรรมะเหล่านี้จึง เป็นวิถีชีวิตอ่ะอยู่ในจิตแต่ลองสังเกตว่าถามว่าในจิตรเรามีไหมพวกเนี้ยเป็นความว่าง่ายสอนง่ายไม่ดูหมิน่นไม่ดื้อดึงไม่มีมารยาไม่โอ้วดไม่ริษยาไม่ตีเสมอเนี่ยมันก็มีแต่ว่ามีไม่ได้ทุกกรณีในบางการณีก็กลายเป็นตีเสมอเป็นนิษยาเป็นโอ้วดเป็นมีมารยาเป็นดื้อดึงเป็นดูหมิ่นท่านเป็นว่ายากสอนยาก แต่ไม่ใช่มีอย่างถาวรบางทีเราก็ทําได้นะบางทีเราก็ทําไม่ได้นันคืออยู่กักรณีของอารมณ์ที่เราสัมผัสในขณะนั้นนนั้นคือถ้าแรงกระแทกมันแรงเราถ้าทานไม่อยู่เราก็เบเหมือนกันแต่บางอย่างก็ต้านทานอยู่เป็นเรื่องที่จะต้องเสริมความแข็งแกร่งขึ้นในแต่ละจุดไม่มีใครสมบูรณ์นะฮะเป็นเรื่อง การเดินทางแล้วก็พยายามแล้วก็พยายามต่อไปหกล้มหกลุกไปบ้างพลั้งพลาดไปบ้างไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรทีหน้าสลดใจก็คือขาดความพยายามขาดความอดทนและความตั้งใจแต่นั้นเองแต่ถ้าเราตั้งใจเรามีความหมดกลั้นอดทนและพยายามไปเรื่อยๆทีเล็กทีน้อยขัดเกลาไปเรื่อยๆสัตว์เล้ขาดขัดเกลาไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆตรงอุปมาเหมือนขัดผ้าชนะ ทองเหลืองที่มันขึ้นสนิมอ่ะถ้าสนิมมันมากก็ขัดกันนานหน่อยหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยใช้เวลาหน่อยแต่ยพยายามขัดไปเถอะมันก็ถึงจุดหนึ่งมันก็สะอาดเองอย่างน้อยก็สักครึ่งสักเกือก็ยิงดีทักฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยเท่ากันสวัสดี